ปธิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอตอนล้างจานเพื่อล้างจานและความสงบจากชิ้นส้มที่สหรัฐอเมริกาครูมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อจิมฟอเรสครูรู้จักเขาหลายปีมาแล้ว ตอนที่เขาทำงานอยู่กับกลุ่มคาชเรีสสัมพันธ์เพื่อสันติภาพจิมได้เผาหมายเกณฑ์ทหารเพื่อเป็นการต่อต้านสงครามเวียดนามผลก็คือเขาต้องติดคุกปีกว่าเมื่อรู้ข่าวครูรู้สึกเป็นห่วงไม่น้อยเพราะเขาเป็นคนกระตือรือร้อนและอุทิศตนต่ อ, ตอ ง, งานอย่างมากคนหนึ่งและครูเกรงว่า เขาจะเผชิญกับกำแพงสี่ด้านของคุกไม่ไหวครูเลยเขียนจดหมายสั้นๆฉบับหนึ่งเตือนให้เขาระลึกถึงกลีบส้มที่เราเคยแบ่งกันกินว่าการอยู่ในคุกของเธอก็เหมือนกับกลีบส้มกลีบนั้นกินมันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันวันพรุ่งนี้มันก็จะไม่มีอีกแล้วครูไม่แปลกใจเลยเมื่อมารู้ภายหลังว่า จดหมายสั้นๆนั้นได้ผลจริงๆสมปีต่อมาจิมเขียนมาว่าจดหมายของอาจารย์ช่วยผมได้มากเหลือเกินผมได้พบความสงบและวิธีที่จะอยู่อย่างแจ่มใสในคุกช่วงเวลาที่อยู่ในคุกกลับเป็นเวลาที่มีประโยชน์ต่อผมมากจิมได้พบอิสรภาพในคุกและได้ใช้เวลาและชีวิตในนั้นอย่างคุ้มค่า นับว่าเขาทำได้ไม่เร็วเลยนะพวงเมื่อหน้าหนาวที่ผ่านมาจิมแวะมาเยี่ยมครูธรรมดาครูเป็นคนล้างถ้วยล้างชามหลังอาหารเย็นก่อนที่จะไปร่วมวงดื่มน้ำชากับทุกๆคนค่ำวันหนึ่งจิมมาขอทำงานนี้แทนครูบอกว่าเอาเลยแต่ถ้าเธอจะล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ เธอต้องเรียนรู้วิธีที่จะล้างก่อนนะจิมตอบว่าครับอาจารย์ช่วยสอนผมทีครูจึงอธิบายว่าการล้างจานมีอยู่สองแบบวิธีแรกล้างเพื่อทำความสะอาดถ้วยชามวิธีที่สองล้างถ้วยชามเพื่อที่จะล้างถ้วยชามจิมบอกว่าเขาขอเลือกวิธีที่สอง ล้างถ้วยชามเพื่อที่จะล้างถ้วยชามเป็นอันว่าจิมรู้จักวิธีล้างจานตั้งแต่นั้นมาครูเลยมอบความรับผิดชอบให้เขาตลอดอาทิตย์นั้นหลังจากนั้นเขาก็เลยโฆษณาชวนเชื่อการล้างจานเพื่อล้างจานเป็นการใหญ่ดูเหมือนเขียนไปลงนิตยสารตั้งหลายฉบับเวลาอยู่ที่บ้านเขาก็พูดเรื่องนั้นบ่อยมากเช่นกัน จนถึงขนาดรอราพูดหยอกเอาว่าถ้าคุณชอบที่จะล้างจานเพื่อที่จะล้างจานมากจริงๆแล้วก็ในครัวมีจานสะอาดเต็มตู้เลยทําไมคุณไม่ไปเอามาล้างล่ะเมื่อ30ปีก่อนโน้นตอนที่ครูยังเป็นเนนอยู่การล้างถ้วยล้างชามออกจะเป็นงานที่ไม่น่าอภิรมเอาเลยยิ่งแนวระหว่างพรรษาที่พระกลับมาประจําที่วัดด้วยแล้ว บางทีเนนสององต้องล้างถ้วยชามของพระกว่าร้อยรูปสบู่ก็ไม่มีมีแต่ขี้เท่ากแกรบแล้วก็กับมะพร้าวเท่านั้นเองการล้างถ้วยชามกองเท่าภูเขารากายอย่างนั้นจึงเป็นงานที่น่าเบื่อมากยิ่งหน้าหนาวน้ำจะเย็นจนแข็งก่อนจะลงมือถูล้างอะไร เธอจะต้องต้มน้ำร้อนหม้อใ ห, ใหญ่ให้เดือดเสียก่อนทุกวันนี้การล้างถ้วยชามให้สนุกดูจะง่ายกว่ามากเพราะเราสามารถยืนล้างอย่างสบายในครัวที่มีพร้อมตั้งแต่สบู่เหลวแปรงเฉพาะสำหรับล้างถ้วยชามหรือแม้แต่น้าอุ่นดูทุกอย่างจะมีพร้อมเอาเสียจริงๆ บางคนอาจจะรีบๆับ้งปรับเดียวก็เสร็จเพื่อจะมาหาความสุขกับการนั่งดื่มน้ําชาครูรู้กระทั่งว่าแม่บ้านหลายคนขอร้องให้สามีซื้อเครื่องล้างถ้วชามไฟฟ้ามาใช้ควงเครื่องซักผ้าไฟฟ้านั้นครูยังพอทนได้แม้ครูจะซักเสื้อผ้าของครูเองด้วยมือก็ตามแต่เจ้าเครื่องล้างชามนี้ รู้ว่ามันออกจะเกินไปเสียแล้วตามหลักในพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของสติขณะล้างจานเราก็ควรจะล้างจานอย่างเดียวซึ่งหมายความว่าขณะล้างจานเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากาลังล้างจานถ้าดูเผินๆอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ออกจะดูโง่เขลาที่ไปให้ความสำคัญมากมายกับสิ่งธรรมดาธรรมดา แต่นั่นกลับตรงจุดเพ่งเลยทีเดียวควงความเป็นจริงที่ว่าครูกาลังยืนอยู่ตรงนั้นและล้างถ้วยชามเหล่านั้นอยู่เป็นความจริงที่ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวครูเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ตามลมหายใจตลอดเวลารู้ตัวทั่วพร้อมถึงปัจจุบันการของตนเองรู้พร้อมทั้งมโนกรรมและวจีกรรมต่างๆ ไม่มีทางที่จะทำให้ใจของครูลอยแกว่งไปแกว่งมาเหมือนขวดแกว่งบนยอดคลื่นความสำนึกของครูไม่มีอะไรจะมาทำให้หวั่นไหวได้ดังฟองบนผิวคลื่นที่ซัดกระแทกกระทบกับหน้าผาถ้าหากว่าขณะล้างจานเราไปคิดถึงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดื่มน้ำชาหรือคิดถึงเรื่องอื่นที่จะมาในอนาคต เราก็จะรีบล้างจานให้เสร็จๆไปเหมือนกับว่าเป็นงานที่น่ารำคาญเหลือเกินนั่นแหละเราไม่ได้ล้างจานเพื่อที่จะล้างจานแล้วและยิ่งกว่านั้นตอนล้างจานเราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยเราไม่อาจจะเข้าถึงความอัศจรรย์ของชีวิตขณะที่เรายือนอยู่ที่อ่างล้างจานได้และถ้าเราล้างจานไม่เป็นตอนที่เราดื่มน้ำชา เราก็ไม่ได้ดื่มน้ำชาด้วยเพราะเราจะมัวไปนึกถึงเรื่องอื่นเสียเกือบจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรามีถ้วยชาอยู่ในมือด้วยเหตุนี้เราก็เลยหลงเข้าไปอยู่ในโลกของอนาคตและจริงแล้วมันหมายความว่าเรามีชีวิตอย่างแท้จริงไม่เป็นเลยสักนิดเดียวเรื่องเกี่ยวกับส้มและจิมก็เป็นเหมือนอย่างนี้ ครั้งหนึ่งนานมาแล้วจิมกับครูนั่งกินส้มด้วยกันและคุยกันถึงสิ่งที่เราจะทำในอนาคตในตอนนั้นถ้าเมื่อไร่เราคิดถึงโครงการที่น่าทำหรืองดงามได้สักโครงการหนึ่งจิมจะจมดิ่งเข้าไปในโครงการนั้นอย่างเต็มที่จนพูดได้ว่าเขาลืมนึกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในขณะปัจจุบัน จิมหยิบส้มใส่ปากชิ้นหนึ่งและยังไม่ทันจะเริ่มเคี้ยวส้มอีกชิ้นหนึ่งก็เตรมจะตามเข้าไปเขาหยิบส้มใส่ปากชิ้นแล้วชิ้นเล่าแทบจะไม่มีจังหวะหยุดเลยดูแทบจะไม่รู้ตัวเอาเลยว่าเขากำลังกินส้มครูต้องปลุกจิมให้ตื่นขึ้นมารับรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่โดยบอกเขาว่า เธอควรจะกินส้มชิ้นที่เธอใส่เข้าไปในปากเสียก่อนครูพยายามชี้ให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้กินส้มอยู่เลยเพียงแต่ใส่กลีบส้มเข้าปากกลีบต่อกลีบอย่างรวดเร็วเท่านั้นครูจึงดุเขาได้ความจริงเขาก็ไม่ได้กินส้มอยู่จริงๆถ้าจะพูดให้ถูกเขากำลังกินโครงการในอนาคตมากกว่ามีใครบางคนกล่าวไว้ว่า ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเวลามองคุณก็จะไม่เห็นฟังแต่จะไม่ได้ยินกินแต่จะไม่ได้ลิ้มรสส้มผลหนึ่งมีหลายกลีบถ้าเธอกินเป็นเพียงกลีบเดียวเธอก็จะสามารถกินส้มทั้งผลแต่ถ้ากินไม่เป็นแม้แต่เพียงกลีบหนึ่งเธอก็จะกินส้มทั้งผลไม่เป็นด้วย จิมเป็นคนหัวไวพอรูพูดทักเขาก็ค่อยๆวางมือลงแล้วก็ใส่ใจกับส้มชิ้นที่อยู่ในปากอย่างจริงๆเคี้ยวอย่างสุขุมก่อนที่จะก้มตัวลงหยิบชิ้นต่อไปอย่างที่ครูบอกแล้วต่อมาภายหลังเขาก็สามารถที่จะเข้าใจสภาพของห้องขังในฐานะส้มกลีบหนึ่งแล้วก็สร้างความสงบ จากส้มกรีบนั้นได้เมื่อ30กว่าปีมาแล้วตอนที่ครูเพิ่งบวชใหม่ครูได้รับหนังสือเล่มหนึง่งชื่อหลักการที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเขียนโดยภิกษุรูปหนึง่งเพราะท่านสั่งให้ครูท่องจำให้ได้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือบางๆหนาไม่เกิน40หน้า แต่ได้บรรจุความคิดทั้งหมดที่ท่านภิกษุรูปนั้นใช้ในการเจริญสติสามประชัญญะในเวลาทำการงานต่างๆอย่างเช่นเมื่อตื่นนอนตอนเช้าท่านสอนให้นึกในใจก่อนอื่นใดหมดว่าอ้อฉันตื่นแล้วขอให้มนุษย์ทุกคนได้บรรลุความตื่นอันยิ่งและตาสว่างปลดจักอวิชชา มองเห็นแจ้งตลอดสิบทิดหรือเมื่อตอนล้างมือท่านฝึกสติโดยนึกในใจว่าฉันล้างมือขอให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนจงมีมือที่บริสุทธิ์ไว้รองรับสัจธรรมในหนังสือนั้นเต็มไปด้วยประโยคอย่างที่ว่านี้เพื่อช่วยให้ผู้เริ่มปฏิบัติได้ฝึกสติตลอดเวลาท่านอาจารย์ ได้ฝึกพวกเราสามาเณรให้รู้จักเจริญสติตามพระสูตรแต่เป็นแบบง่ายๆไม่ว่าเธอจะทำอะไรจะห่มจีวรล้างจานเข้าห้องน้ำมนเสือเก็บหิวน้ำแปลงฟันและอื่นๆเธอก็สามารถจะใช้ความคิดอันใดอันหนึ่งจากหนังสือเล่มนั้นได้เพื่อช่วยให้เธอมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม เธอกำลังทำอะไรในมหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวไว้ว่าเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการใดๆ ย่อมรู้ถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยอาการนี้ที่เธอเป็นผู้อยู่ด้วยสติมั่นคงเห็นกายในกายแต่การมีสติรู้เท่าทานอาการต่างๆของกายนั้นยังไม่พอในมหาสติปัฏฐานสูตรยังกล่าวว่าเราต้องมีสติรู้พร้อมถึงลมหายใจแต่ละครั้งการเคลื่อนไหวแต่ละหนความคิดทุกความคิด และความรู้สึกทุกความรู้สึกพูดง่ายๆว่ามีสติรู้ทั่วพร้อมถึงทุกสิ่งที่เนื่องกับตัวเรา